เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้ปรารบบารมีหรือเรียกว่าพุทธ ก, กาลกาธรรมมาตามลำดับก็มาถึงปัญญาบารมีวันนี้จะพูดถึงวิริยะบารมีเรื่องบารมีนั้นอย่างที่เคยบอกไว้ในวันแรกว่า บารมีหลักก็คือทานศีลเนคขมะปัญญาน้อ น, นั้นก็เรียกว่าอุปการะบารมีคือหมายความว่าจะให้ทานก็ตามจะรักษาศีลก็ตามจะเนคขมะก็ตามใช้ปัญญาก็ตามจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ด้วยหมายความว่าจะต้องเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้งานเหล่านั้นดําเนินไปได้นะเช่นสมมติว่าเราต้องการจะให้ทานอย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่ความพยายาม หรือว่าไม่มีสัจจะนึกจะให้แล้วไม่ให้จิตใจไม่มั่นคงไม่มีอธิษฐานมันก็เดินไม่ได้อะเราต้องมีความรู้สึกดีต่อคนที่เราจะให้ก็คือเมตตาธรรมะนี่ก็เกิดผลขึ้นมาที่จริงมันครบทั้งหมดนั่นหละเพียงแต่ว่าการพูดในแนวนี้หมายถึงอะไรที่มันเด่นเราก็เอาสิ่งนั้นมาพูดอย่างพระชาติที่เป็นเจ้าชายิตถ า, าก็มีครบทั้งสิบข้อนั่นแหละ โดยชาติที่เป็นหมาวสดก็มีครบทุกทุกข้อแล้วเราเองทุกคนเนี่ยก็มีบารมีเหล่านี้ทุกข้อแต่ว่ามีไม่ค่อยมากมีไม่ค่อยพอใช้แต่นั่นเองในแต่หมายความว่าคนแต่ละคนไม่มีบารมีรวบาผูกขาดไว้สมัคคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เลยมันเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจของมนุษย์แต่ว่าถ้ามีกําลังมากพอมันก็ขจัดปัญหาประสาคต่างๆได้ถ้ากําลังเขาไปแข็งพอมันก็ขจัดไม่ได้มันก็มีปัญหา วิทยานั้นจึงเป็นเรื่องต้องใช้ทุกแห่งให้เองสังเกตว่าธรรมะภาคสนามนิสติสัมมาจัญญาความเพียรเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันแล้วต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ทุกเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรกันคือเคยมองใกล้ๆกับขนมไทยว่าเคยพบเอกสารนะฮะบอกว่าขนมไทยนี่มีร่วมสามพันชนิด แต่เมื่อเราศึกษาจากการที่เคยฉันเคยรับประทานมานะเห็นว่าขนมไทยมันมีองค์ประกอบหลักอยู่สามอย่างคือมีข้าวเหนียวมีกะทิแล้วก็มีความหวานคือน้ำตาลหรืออะไรก็ไม่รู้แหละก็มีมันมีข้าวเหนียวแล้วก็มีความหวานเขาก็อยู่ทุกแห่งปัญธม่คือสติสัมจัยญญความเพียรก็เป็นเช่นนั้นเาก็อยู่ทุกแห่ง ในการปฏิบัติธรรมวิริยะบารมีนั้นท่านบอกไว้ว่าท่านจงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถอะอันว่าสีหะมฤคราชมีความเพียรไม่ย่อหย่อนในเรียบทยืนนอนยืนเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดท่านจงประคองความเพียรไว้มั่นคงในภพตั้งปวงเริ่มตั้งความเพียรถึงฟังแห่งวิริยะบารมีแล้ว จับบรรลุสัมโพธิญาณได้เป้าหมายไกลลิฟนะฮะเกเห็นว่ามันมันเป็นการอุปมาถึงราชสีราชสีนั้นท่าทางเขายิ่งใหญ่นะฮะเป็นพยาศสัตว์อ ง, งาอาจราหารเดินมีความระมัดระวังสุ ข, ขุมรอบคอบจนมีการพูดกันว่าไม่มีใครไปทำลายราชสีได้นอกแก่ตัวพยาศในราชสี แสดงเป็นเป็นตัวอย่างอุปมาณนะเพราะว่าการผู้การเสนอเรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็ทําอยู่ในป่าตัวอย่างง่ายๆมันก็คือดูเรื่องเหล่านั้นทีเรื่องของความเพียรเนี่ยก็เรียกว่าความเพียรที่เป็นไป ท, งทางกายแล้วก็เป็นไปทางจิตคือประสานสดคล้องกันทุกอย่างไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยการดนบดาแต่เป็นเรื่องของความเพียรพยาม แล้วก็ในตรงนี้มันจะมีปัญญามีอาธิษฐานมีสัจจะมีขันติมีอะไรอยู่ด้วยอย่างยกตัวอย่างคราวหนึ่งพระโพธิสัตว์ท่านเป็นวัวน้ากองคารวานเกวียนไปแล้วก็มันก็อีกนิดเดียวนะฮะทางมันจะไปถึงอีกด้านหนึ่งแล้ว เราเห็นว่ามันเกิดปัญหาในเส้นทางคือดินมันไม่จะเป็นถนนในปัจจุบันมันก็ยุคบ้างสุดตัวบ้างแต่ไม่เกวียนเดินช้าเพราะว่าเกวียนบรรทุกของหนะักก็เห็นว่ามันใกล้แล้วมัในใกล้แล้วก็ให้เอาน้ําส่วนหนึ่งในเททิ้งเชื้อเพราะว่ามันใกล้แหล่งน้ําแล้วแต่ว่าผลดีพระผลติศาสตร์เนีเกิดหลับแล้วก็คนที่คุมเกวียนเนี่ยมองดาวพลาด เวียนมันเกิดหมุนหมุนกลับไปที่เดิมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยตายกลับมาที่เดิมเลยกลับมาที่ที่เทน้ำนั่นเองจะทำยังไงน้ำไม่มีอ ก, ก็พอรุ่งขึ้นมาตะวันเริ่มซองแดดเริ่มจัดกระพนก็เดือดร้อนแล้วกระสับกระสายแล้วน้ำมันไม่มีถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องหาแล้วอยู่กลางทะเลสายก็ต้องหา ตรงตรงัวนี้เราเห็นว่ามันก็เป็นความเพียรมันก็เป็นปัญญาละ่ะมันก็เป็นอธิษฐานคือมุ่ง ม, มั่นนะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ได้แลสุดไปจากการสังเกตมีกอหญ้าอยู่ก็หมายความข้างล่างมันต้องมีความชื้นก็ตกลงให้ขุดขุดก็ขุดเจอนะฮะแต่มันกลายเป็นหิน ด, ดาษคนทั้งหลายก็หมดอะไรตายอยากเลยไม่ไหวอ่ะมันหิน ด, ดาดไม่ทะลุทะลวงไม่ได้ พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนายกองเกียนก็ลงไปฟังดูก็เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีน้ำเจาทายังไงจะทะลุทะลวงตรงนี้เข้าไปได้ก็เรียกลูกน้องมาบอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาทอดทิ้งความเพียรหมดแล้วตอนนี้อาศัยเธอแหละเธอต้องสู้เธอต้องทำให้ได้เธอต้องทะลุแผ่นดินนี้ออกไปให้ได้ลูกน้องเขาก็ยอมนะในที่สุดก็ทะลุทะลวง ก็เจาะจนหินดาดนั่นก็พังไปน้ําก็พุ่งขึ้นมาเป็นลําตาลเลยทั้งกินทั้งอาบทั้งดื่มกันก็สบายแล้วเห็นว่าความเพียรเนี่ยมันจะเจออุปสรรคไม่ว่าเพียรอะไรก็ตามจะเจออุปสรรคพอเจออุปสรรคแล้วจะทอนะฮะจะท้อจะเจะ f a อจะไม่สามารถที่จะควันความอุปสรรคเหล่านั้นไปได้แล้วก็ไม่มีชีวิตใครที่ไม่เจออุปสรรค เพาะหมาความมุ่งมั่นตรงนี้มันต้องค่อนข้างสูงคือว่าทำยังไงเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนี้ให้ได้มีความมุ่งมั่นสูงมีจิตใจตั้งใจเด็ดเดี่ยวไม่ได้ต้องได้ไม่เป็นต้องเป็นไม่มีต้องมีไม่รู้ต้องรู้ก็หมายความว่าก็ลงมือปักบนันมันเพียนไปโดยลําดับ แการใช้ความเพียรเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาเพราะอย่าลืมว่ามันมีสัมมาวยามะแล้วก็มีมิจฉา ว, วามิมารความเพียรผิดก็มีเราจะปฏิเสธเขาไม่เพียรไม่ได้อะนะจะปฏิเสธว่าเขาไม่เพียรไม่ได้เพราะว่ายังนึกถึงสมัยพุทธกาลมีอยู่เรื่องหนึ่งทีน่นึกวอาไอ้พวกนี้มันขยันนะมันการธรรมากินแต่เองแต่ไม่น่าจะมีปัญหาคือเป็นโจร น, นะฮะเป็นโจรแล้วก็เจาะ อ, อุโมงค์ขาลอดเข้าไปใต้ดินนะนะแล้วก็ลอด ใต้ถุนบ้านเขาเข้าไปแล้วค้นของออกมาจากตรงนั้นมันก็ใช้เวลานานนะใช้เวลานานก็เรียกว่าใช้เวลากันหลายเดือนกว่าจะขุดทุงง่งม้งก็ไปได้เลเออถ้ามันใช้ความขายันตรงนั้นทำมาหากินแต่ไม่ต้องปล้นเขาไม่ดีกว่าหรือผู้นี้ไม่เคยคิดนะแต่ว่าพอดีตรงนี้ไปเจอคนดีเข้าไปเจอมาห า, อาสิกา ในขณะที่ลูกน้องกำลังขนทรัพย์สินเนี่ยคนภายในบ้านก็รู้แล้วว่ามีโจรเข้ามาคนแต่ว่ามันก็อีอะวุยวายอะไรมากไม่ได้ก็ไปบอกเจ้าของบ้านซึ่งเ ก, กิฟังเทศด้วยนะเกิดบอกว่าช่างก็เถอะโจรก็จะขดอะไรก็ขนไปแต่ในฟังเทศจะรบกวนลูกน้องก็กลับไปเดะเด็กโจรมาถึงตรงนั้นแล้วก็มาบอกอีอะนายก็ไม่ยอมอยากเอาอะไรก็เอาไป นายโจรซึ่งมันยืนคุมอยู่เนี่ยก็ได้ยินคําพูดแล้วก็ยอมเลยยอมเลยไปถึงสางลูกน้องคนของไปคืนเข้ามาแลเสร็จแล้วก็กราบฝากเนื้อฝากตัวขอขอบวช ด, ด้วยจะเลิกแล้วเพราะว่าเจอความดีเจอคนดีคนดีขึ้นมาในสุดเขานีเขาก็บวชหมดทัทง้งทั้งทั้งชุดของเขาอะนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่า ความพ ย, พยายามจึงต้องใช้กระบวนการที่เราคุ้นๆกับวิมังสานะฮะไม่ใช่คือคุณก็ณอิทิบัดในอิทิบาทเนี่ยมีลักษณะธรรมะที่เขาหมุนหมุนท่าถามมาเริ่มต้นจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนให้ลองสังเกตรเริ่มต้นจริงๆอยู่ที่วิมังสานะะคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบเสียก่อนว่าอั น, นี้เป็นอะไรมีฐานะอย่างไรจะทําอย่างไรทําแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไงคุ้มค่าหรือไม่ อ, อะไรตัวเนี่ย มันจึงเกิดความชอบทีหลังไม่ใช่ระชอบดะไปเลยใครบอกให้ทำอะไรก็ชอบชอบอย่างนี้ก็ตายเลยเห็นว่าบางทีเนี่ยมันก็ยู่ายากอย่างมีกิจกรรมต่างๆที่เราไม่น่าเชื่อว่าคนเนี่ยไปเชื่อเพราะว่าถูกยั่วยโลกจะมีคราวหนึ่งที่หวือหวาอยู่ระยะสั้นนะฮะก็ดีว่าทางราชการ ก, ก็ตื่นตัวดีไอ้ข่าวคล า, าวเนี่ยก็ได้ชื่นชมกันนะข่าวเนี่ย ข่าวบางทีเนี่ยมันค่อนข้างคล่องตัวสูงอย่างข่าวไอทีีเนี่ยก็จะคล่องตัวสูงเพราะเขาเป็นเอกชนนะฮะก็คล่องตัวสูงก็ไม่ยุ่มยิ้มอะไรมากข่าวต่างๆที่ออกมานะเช่นเช่อนอะไรจะ่นลุงทูน่าพันบาทแล้วก็อะไรสิบห้าวันได้ห้าพันอีกสิบห้าวันได้สามพันอีกสิบห้าวันได้ห้าพันสี่สิบห้าวัน ลงทุนไปแล้วได้กำไมแปดพันไ ม, 8, ไม่มีธุรกิจไหนทำได้ในโลกเนี้แต่คนก็หลงเชื่อเพราะเขายั่วให้โลกอันนี้คือมีปัญหาเพราะมันต้องมีวิบังศาตรวจสอบด้วยเหตุโดยผลจะก่อนว่ามันมีความเป็นได้มางน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าทำอย่างนั้นต่อไปก็ต้องเป็นอย่งงางนั้นมีกระบวนการอย่งงางนั้นอย่างนั้งงนในการคิดแล้วคนก็จะไม่ถูกหลอก เพไอ้ชันทาตุในกว่าจะเกิดเนี่ยต้องวิมังษาต้องตรวจสอบให้ดีมีความเป็นไปได้นะอย่างยังมีข่าวที่เราได้ยินข่าวบางข่าวเนี่ยว่าเด็กผู้หญิงไงจบแค่ป .6 ไม่เคยทํางานการอะไรมีคนไปชวนไปทํางานได้เดือนสองหมื่นสามืนเนี่ยเธอไปอ่ะมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีวิมังษาเลยเพราะไปชอบจะเฉพาะตัวเงิน เขาชยอยเฉพาะตัวเงินที่จะได้แต่ว่าการใช้ปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยว่าคนข้างบ้านเนี่ยหน้าข้างบ้านเนี่ยคนเยอะไปอ่ะที่มีความรู้มากกว่าเธอแต่ว่าทํางานทําไมทําไมไม่ได้เงินเดือนทั้งสองหมืน่นเราไปทํางานอะไรจะได้เงินเดือนทั้งสองหมืน่นบางทีก็บอกสามหมื่นเอาก็ปลายใหญ่เลยนั่นคือคือธรรมะในภาคปฏิบัติจะต้องมองว่าต้องมีธรรมะองค์หนึ่งในข้าวประกอบอย่างที่บอกว่าบา ร, รมีขั้นต้นเป็นบา ร, รมีหลัก ผนตัวนี้ต้องใช้ปัญญาบารมีวิเคราะห์ตรวจสอบมองสิ่งทั้งหลายมองไปสู่อนาคตด้วยนะมองไปสู่ระยะเวลาที่ไกลๆด้วยแล้วประโยชน์นั้นจะต้องหนุนเนื่องถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ที่หนุเนเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไปทําอะไรนะอย่างเนี้ยอย่าง ย, งยกตัวอย่างว่าใครมาชัวร์ไ้ปลูกพืชชนิดหนึ่งจะได้ต้นพืชต้นหนึ่งได้ดอกพืชไอ้ดอกพืชอไม่ใช่ได้ผลพืชผลหนึ่งเนี่ยไม่มีใครทําอ่ะ เพราะว่าผลไม่หนุนเนื่องแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะทํำยังไงจึงจะมองสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนแล้วก็ปลูกฉันทะในขณะฉันทะเนี่ยมันต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยนะไม่ใช่ว่าฉันทะแล้วก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรเพราะวิวบงังศาจึงใช้กํากับหมดในขณะที่เราพอใจก็ใชก้กํากับพอวิริยะยิ่งต้องกํากับไปเห็นไหมเมืองราชสีเดินสิงโตเดินเนี่ยต้องกํากับ กำกับด้วยปัญญากำกับด้วยสติตำกับด้วยสัญชาตญาณของพระยาราชสีนะฮะแต่ว่าความพยายามก็เดินไปในขณะเดียวกันก็มีสัญชาตญาณในการระแวงภัยใช้จมูกใช้หูใช้ตาะอะไรต่างๆตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จิตตะคือจิตมุ่งมั่นก็เหมือนกันต้องมีปัญญาเข้ากำกับตรวจสอบตลอดระยะเวลาเลย เ พ, เพราะนันพนี้จะหมุนหนุนเนื่องกันตลอดแล้วก็จะเห็นทั้งว่าธรรมะเขาเคลื่อนไหวเขาอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดผลในทางที่ดีงามตามที่เราต้องการได้นี่ก็คือคือแนวของวิริยาเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาแล้วในความเพียรแบบไม่มีเหตุผลนี่เยอะไปบางคนนีนเพียรพยายามเล่นการพานัน ไม่ยอมข้าวห้องนะ้ำไม่ยอมกินข้าวอะไรแต่ใดมันก็มันก็ได้อะนะแต่ว่ามันเสี่ยงในสูงเราไม่ต้องพูดถึงปัญหาสินธรรมแล้วนะเราพูดขนาดว่าเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงไม่สูงเนี่ยหรือคนจะรวยด้วยการพ น, นันเนี่ยมันมีน้อยมันหนึ่งในร้อยอาจจะหนึ่งในพันเลยทั้งไปนะ แ, แสดงว่าถ้าจะรวยเนี่ยรวยด้วยอาชีพที่แน่ใจ แน่ใจดีกว่าเพราะแนวของสัมมาวยมามะที่ใช้ไปในการประกอบอาชีพเราลองสังเกตนะไม่เช่นการประกอบอาชีพทํางานทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าก็ลงสมเริ่มที่อุทธธนะแต่ถ้าให้สมบูรณ์ก็ได้อุทธธนาะสัมปทาแปลว่าสมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันรีบเร่งลุกขึ้นทําการงานเลยอุทนาะคือใช้อุทธธนะ แปล ว, ว่าความเพียรเป็นตัวกระตุ้นในคนรีบลุกขึ้นทําการงานไม่ผ่ดนวางประการพรุ่งไม่รอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเช้าอยู่สา ย, สายแล้วเย็นแล้วฝนจะตกแดบดบจะออกอะไทอะไรเนี่ยไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้ไมันไปทำหมากินอะไรคือบางทีเนี่ยลองสังเกตว่าคนเรานี่ยอ่อนแอไปอย่างไปในสถานที่ต่างๆโรงพยาบาลรัฐบาลการศึกษาเนี่ยคือ สามชั้นสี่ชั้นน่ะส่วนมากสามชั้นนั่นนะแต่หลายชั้นเราก็ขึ้นไม่พอเหมือนกันคือถ้าสามชั้นเนี่ยจะขึ้นเดินอาวะจะเดินคือต้องการเตือนเนี่ยเขารู้ว่าเดินจะบ้างทีมันไม่ค่อยมีเวลาเดินแล้วก็เดินขึ้นบันไดแค่สามชั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแปลกอะไรหรอกคือถ้าห้าชั้นเนี่ยอาจจะหนักหน่อยสามสี่ชั้น ขึ้นบ่อยๆก็กลายเป็นปกติสำหรับเป็นการบริหารร่างกายด้วยเป็นการประหยัดไฟด้วยนะเป็นการช่วยอะไรต่ออะไรกันอีเกเยอะเลยแล้วก็สุขภาพอราใหมเราก็ดีขึ้นเป็นอย่าก่อนแอนะสบายไปหมดแม้แต่จากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองหรือจากชั้นสองลงชั้นหนึ่งนี่ลงมาได้นนจะน่อยก็ไม่เอาขึ้นมาไหนจะหน่อยก็ไม่เอานะจะต้องรีบตลอดแล้วค่าใช้จ่ายมันก็สิ้นเปลืองเนี้ย เงินเปลืองเ่เราก็เป็นหนี้เงินตราต่างประเทศเขาเยอะมันมีเรื่องเยอะนะที่ที่สามารถจะประหยัดได้มันความเพียรพยายามเนี่ยจึงใช้โดยมีปัญญามีเหตุผลอย่างเนี้อย่างท่านแสดงถึงว่าสมมติเราเป็นพ่อค้าหรือเป็นอะไรก็ตามนะฮะเขาเรียกว่าจักขุมาวิทุโรนิสยสัมปันโนมันอาศัยคุณสมบัติสามประการหมายความมีตาที่ เรียกว่ามีวิจารญาในการไกลมองนี่จะทําอะไรจะทําอย่างไรจะลงทุนเท่าไหร่จะได้ทุตมาจากไหนและจะผิดยังไงผิดแล้วจะได้เท่าไหร่แล้วจะขายที่ไหนขายได้จะได้กาไรเท่าไหร่คือมันคิดได้ทั้งระบบแน่นอนว่าเรื่องบานเรื่องมันก็ประมาณการแนละ้วนะเราก็ไม่รู้ความต้องการของตลาดแล้วก็ต้องเสี่ยงในการทดลองอะไรต่างๆ วความเพียรจึงใช้มากบางอย่างเป็นความเพียรที่ค่อนข้างเอาจริงอดจังเช่นความเพียรที่ของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เรียนในทศพิธราชธรรมเข า, ราเรียกตะปะเลยแต่ความเพียรที่แผดเผาทำลายทุกอย่างความเห็นแก่ตัวความติดสุขความสะดวกสบายนะแสวงหาผลประโยชน์เดี๋ยวมันต้องความเพียรพยายามฉลาบพวกเรานี้ให้ได้เพราะว่าเป็นงานที่ ต้องทำตัวเป็นร่มปูร่มใสของอาณาประชารัศดรทั้งความเพียรพยายามก็มากนะเป็นกษัตริย์ทริงจริงเหนื่อยนะฮะถ้าว่ารับผิดชอบจริงๆแล้วก็เหนื่อยมากก็เรียกว่าไม่มีความเป็นตัวงตัวเองแต่ต้องอยู่ในจุดนั้นเพื่อปฏิบัติภารกิจและําเมตทุล่วงไปได้บางครั้งท่านก็ใช้ปรารกมะแปลว่าความบากบันอุตสาหะความอุตสาหะ บางทีก็อารัฐะวิริยะคือประลุความเพียรที่ต่อเนื่องในริยบบททั้งหลายแบบราชสีเดินในท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยคือประครับประคองในอิรียบบททั้งหลายเราเห็นว่าการปฏิบัติตนของบุคคลที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่างในฉดกเนี่ยเซนเวเนียก็กําลังดังเรื่องมาชนก เราเชว่าหมาชนกนั้นเป็นความเพียรพยายามเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้แล้วก็เป้าหมายของท่านเนี่ยคือการกลับมาเอาราชสมบัติคืนนะเป้าหมายเนี่ยแต่เมื่อตกลงในทะเลมันก็ต้องต่อสู้กับทะเลแล้วต้องไว่ายไปก็ไว่ายไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่ความหวังมันก็มีอยู่แต่ถ้าหมดอะไรตายอยาก ปล่อมือปล่อยเท้าไป ล, ล่อยทุบปองตุบป่องมันก็ตายนะเพราะมันเป็นการพิสูจน์ทดสอบว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เห็นผลอะไรหรอกแต่ว่าการไม่ใช้ความเพียรพยายามเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเราดูหิ่นตัวเราเองแล้วถ้าเราใช้ความเพียรพยายามจะไม่มีอะไรที่เราว่าผิดหวังด้วยประการทั้งปวงเพราะชีวิตนคนเรามันหกล้มหกลุก กว่าจะประสบความสำเร็จสมัยเป็นก็ไม่เด็กเท่าไหร่นะตอนนั้นยังอยู่ในวัยรุ่นอายุสักสิบสิบเจ็ดสิบแปดนะฮไปเจอคำกรอนไม่ได้นังสือเนี่ยมันแต่มันชอบมากข้อความเนว่นยาวกว่านั้นแต่มาชอบเฉพาะช่วงหลังชีวิตยังไม่รับดับเพียงนี้แรงยังมีจากสู้กระเสือกกระสนแม้นจะปวดรวดร้าวจะเฝ้าทนประจบจน แสงอรุณอุ่นระวีนะครเป็นํานวนกวีแต่มาก็เอามาแปลงแต่ทีหลังตอนท้ายเนี่ยฮะประจวบจนสมหวังที่ตั้งใจหมายความเรามุ่งมั่นอะไรเนี่ยเราต้องไปให้ได้หกล้มหกลุกอย่างไงก็ไม่รู้ต้องทําให้ประสบควารมสาเร็จได้แต่งานมันคนละเรื่องกันนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะมุ่งไปในงานไหนแต่ว่าประการสําคัญเนี่ยคือการมุ่งมั่นไปสู่ผลสําำลีที่เราต้องการ ความเพียรของพระโพธิสัตว์เป็นความเพียรภาคใช้งานแล้วนะเป็นความเพียรภาคใช้งานแล้วเพราะว่าความความเพียรเนี่ยมันมันมีลักษณะเคลื่อนไหวนะมันลักษณะเคลื่อนไหว ม, มันไม่อยู่นิ่งๆยอย่างสมาธินิ่งๆได้นะสติร ะ, ะลึกอยจะนิ่งๆได้นะแต่ว่าความเพียรเนี่ยเขาต้องเคลื่อนไหวแล้ต้องเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งจากสถานะหนึ่งไป ส, สู่สถานะหนึ่ง แล้วด้วยผลของความเพี่ยนพยายามนั้นจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เนี่ยให้ทัดเทียมกันได้โดยใช้ความเพี่ยนพยายามนะที่ท่านบอกว่าคนเราที่เกิดมานะหมายความว่าเกิดมาจะจนหรือจะรวยก็ตามแต่ว่าถ้ามุ่งมั่นสูงใช้ความเพี่ยนพยายามสูงแล้วเนี่ย โอกาสที่จะพบกันนั้นมันก็ได้นะเพราะฉะ น, นลูกคนจนคนแค้นแสนจะคิดอาบแผงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีด้วยด้ว ย, ว ย, วยความเพี่ยนพยายามก็ไอะเธอก็กลายเป็นเศรษฐีก็ไม่ได้มีเยอะบ้านเราเวลานี้มีเยอะนะคือสังคมเราถ้ามองในมุมดีแล้วก็ดีแต่เสียนิดเดียวความคิดเคร่องแก่เนี่ยต้องโกงไม่ใช่ทุกคนนะฮะมีคนบางพวกนี้คิดว่า ถ้าจะรวยก็ต้องโกงถ้าไม่โกงไม่มีโอกาสจะรวยอันนี้ยเป็นความคิดที่น่ากลัวแล้วก็ค่อนข้างกังวล น, นะค่อนข้างกังวลว่าถ้าจะคิดกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเราคงแก้ปัญหายากเรามันกลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จะหาจุดจบยังไงนไม่รู้หาทางลงได้ยังไงเรื่องสัตวในสุดมันก็กลายเป็นวงจรที่ที่มีปัญหา อย่างที่กล่าวโดวยตั้งสวนี่มีคนมาเล่าจงกันเลยนะฮะมาจากจังหวัดเดียวกันก็ใก ล, กลก้กรุงเทพเนี่ยซื้อกันจังซื้อเสียงเอาเงินไปให้คิดเนี่ยยังนึกว่าเงินหลายสิบล้านนะถ้าคิดคะแนนก็ดูไม่ไม่น่าจะได้คะแนนคะแนนหนึ่งก็คงจะหลายพันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสลุดัน้นความเพียรพยายามมันกันแต่เพียรผิด ไม่ได้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ีสมมติว่าไม่มีใครรู้เลยในเรารู้ว่าการได้การมีการเป็นของเรานี้ได้มีเป็นมาด้วยอะไรเราสุดจริตหรือเปล่าเรามา จ, จะเป็นคนตรวจสอบขาในเราพร้อมดี่จะคนอื่นเขาตรวจสอบหรือไม่เนี่ยมันชักจะมีปัญหานะยเพราะความเพียรจึงต้องเดินไปในทางที่ชอบประกอบด้วยเหตุด้วยผลในตัวของมันเองต้งฟังไปไหนแต่หลวระพุธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี